ส, LAKE สัังราาเมื่อพระบรมพุทธสั์ไดทรงบำเพ็ญบารมีสำเร็จครบถ้วนในสมัยทุเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร พลันสิงนผชนมาอยู่ก็จตไปบังเกิดเป็นสันนุสิทธิเทวราชสถิตอยู่ในเทวโลกเป็นเวลา 4,000 ปีทิ่มันดาเทพยดาทั้งหลายอันมีท้ามหาพรหมและท้าจตุมหาราชเป็นต้นตามพากันมกราบทูลอาราธนาให้สันนุสิทธิเทวราชจุติตสู่มนุษยโลกเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมัญยุนำสรสัตทั้งหลาย ให้บรรลุพระอรมตามหาทิพา์ต่อไปดูก่อนท่านท้ามหาพรหม ข้าพเจ้ามีเรื่องสงสัยมีอันใดข้อมใจหรือองค์อมรินข้าพเจ้าจะได้ไขกระจ่าแจ้งสิ้นความคลืบแปรเสดุนีที่ข้าพเจ้าสงสัยก็คือพวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านสันตุสิทธะเทพบุตรที่ประทับนิ่งอยู่ตรงหน้านี้จะได้เป็นพระสัพพันญูโพธิสัตว์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปน่ะสิเรื่องนี้ไม่ยากหรอกท่านแล้วก็ดูจากปัญจบุพนิมิตทั้งห้านั่นก็คือ พญบมุภาที่ประดับประกายนั้นเหี่ยวแห้งหนึ่งที่พย่าพระตราโสานที่ทรงนั้นมีสีอเศร้ราหมองหนึ่งพระเศธโอไหลออกจากพระกัจฉับประเทศหรือลักแรนหนึ่งพระสริริกายกรอบด้วยอาการฉราปรากนหนึ่งมีพระไทยเป็นทุกเหนื่อยลายจากเทวโลกมิได้ยินดีที่จะสถิตในทิพยาอา น, น, นั้นหนึ่งรวมเป็นห้าประการดังท่านสัตยุสิตาเทวราชนี้ งั้นพวกเราก็ขอเชิญท่านสิริไปโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการนําเขาเหล่านั้นได้แจ้งทางอันควรปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ด้วยเธอเจ้าข้าโปรดเธอเจ้าข้าดูก่อนท่านเทพทั้งหลายข้าพเจ้าจะลงไปปฏิสนธิในคันแห่งพระนางสิริมหามายาราชเทวีพระอัครามเหสีพระเจ้าสุธโทธทนะมหาราชกรุงกบิลพัฒน์ เพื่อเป็นพระสัพพัญยูโปรดสัตว์โลกทั้งปวงท่านทั้งหลายจงกลับไปนิกว่าสถานแห่งตนเถิด ว่ายังไงล่ะคุณท้าวโสภาวิชายาอารตีเรื่องความฝันที่เราเล่าให้ฟังนี้มันยากเกินที่จะแก้ฝันหรือง่ายคุณท้าวโสภาเป็นผู้ใหญ่ลองทำนายให้ฟังหน่อยสิเออเออไอเรื่องที่ทรงพระสุบินน่าจะเกินกําลังหม่อมฉันจนไม่สามารถอาจเอื้อบกราบทูลทำนายเพคะอุ้ยองเหนือหัวเสดเพคะ นายบังคลมเพคคะทุกคนตามสบายขอทนายเพคคะกำลังสนทนาเรื่องอะไดกันเลยมายาพี่ได้ยินไม่แม่ว่าใครไม่กล้าอาดเอื้อมทำอะไรเมื่อยามรุ่งนี้หม่อมฉันฝันแปลกเพคคะเสด็จพี่ฝันนี้หรือฝันร้ายล่ะสริมหามายาไหนเราเล่าไหมพี่ฟังหน่อยซิหม่อมฉันก็ยังไม่กล้าตัดสิน ว่าเป็นฝันดีหรือร้ายเพคะแต่ฝันว่าเท้าจัตุโล ก, ก บ, บาททั้งสี่มายกพระแท่นบรรทมของหม่อมชั้นไปวางบนแผ่นหินใหญ่ใต้ต้นรังเมื่อกี้พระเทวีตรัสแล้วว่าต้นสาระนี่เพคะนีม่มันก็ต้นเดียวกันนะ่ะนะไม่วิชายาหลอนเนี่ยไม่รู้ภาษาแล้วยังจะขัดรับสั่งระวังอะว่าจะขาดไม่รู้ตัวพร <c oughs> อยาม่พ้นเก้าเพคะ หม่องฉันมไม่เป็นไรเมื่อไม่รู้ถือว่าไม่ผิดก็แรกันนะเอาละให้พระทิวีของเราเล่าความฝันต่อไปดีกว่าเพคะเสด็จพี่แล้วก็มีเทพพิดาสีนงผพาหม่อมฉันลงอาบน้ำมิสะาอโนดาตผมผ้าทิพให้แล้วลูบไลด้วยเครื่องหอมต่อจากนั้นก็มีช้างเชือกหนึ่งใช้งวงชูดอกบัวบุญแดริกสีขาว กำลังบานส่งกลิ่นหอมเข้ามาทำปรททักษิณสามรอบก่อนจะหายเข้ามาในท้องของหม่อมชั้นที่สะดุ้งตื่นทันทีเพคะเสด็จพี่ฟังแล้วตื่นเต้นจนขนลุกสู้เลยเพคะมไม่รู้ว่าจะร้ายหรือดอมีมันต้องดีสิยะแม่อรตีพระมะเหสีนะี่ยทรงพัชจุบิตอย่างนี้นจะร้ายได้ยังไงไม่ต้องคาดเดาต่อไปแล้วล่ะขุณเทาโสภาออและก็เหล่านายกำนันทั้งหลายด้วย เ, ออเพื่อความแน่ใจนะ เราใช้บรรดาพ ร, ราหมณ์ผุโรหิตแล้วก็ามาราชครูให้มีความรู้มาทำนายฝันของพระทวีของเราน่าจะดีกว่าเชื่อว่าคงไม่ใช่สิ่งที่ยากจนเกินไปทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ ที่พระมเหสีทรงพระสุบินนิมิตในคราวนี้พวกข้าพระพุทธเจ้าปรึกษากันแล้วขอถวายคําทํานายว่าเป็นสุภนิมิตอันดีพระราชเทวีจะทรงพระคันและทารกในพระคันจะเป็นพระโอรสพระเจ้าค่ะโอ้ทานายได้ดีจริงๆนะเนี่ยท่านมหาราชครูสมเป็นผู้รู้ที่น่านับถืออ๋อแล้วธ่านอาหมัดล่ะ จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคำทำนายเพิ่มว่าพระโอรสทรงเป็นผู้มีบุญญาธิการหรือไม่ก็เป็นเทพประบุตรจุติมาบังเกิดพระเจ้าขา้าโอ้โอ้โอดีดีจริงๆอืมขอให้ทุกสิ่งเป็นดังคำทำนายของผูท้ท่านเธอหลายเถิดงพระ หล่อนสองคนเนี่ยเดินเหินเดินมาเบาๆหน่อยได้ไหมอะไรเป็นสาวเป็นนางเยื้องย่างเสียงดังเยี่ยงม้าดีดกระโหลกไปได้ไม่เห็นกันหรื อ, อยังไงพระเทวีสิริมหามหมายานะ่ะกำลังประทับนั่งพักผ่อนอยู่ขอโทษเจ้าค่ะคุณท้าวโสภา <c oughs> <c oughs> แต่แปลกจังนะพระเทวีของเราทรงคันตั้งนานแล้วแต่พระคันไม่ยักกระนูนใหญ่เหมือนผู้หญิงทั่วไป จริงไหมอราตีนั่นนะสิวิชยาฉันว่าคงเพราะพระเทวีทรงมีบุญญาหรือไม่ก็แสดงว่าพระโอรสหรือพระธิดาที่จะมาประสูตรเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการนะสิแหมทำเป็นรู้ดีเชนะะ่นุ๊ยนั่เห็นไหมส่งเสียงเออะพระเทวีทรงหันมาทางนี้แล้วสามคนนั้นน่ ะ, ะคุณท้าวโสภารวิชายา อารตีเข้ามานี่สิเพคขถว า, ายบังคมเพคะาพระเทวีทำเป็นตีหน้าซื่อแต่ที่แท้กำ ล, ลังนินทาใครว่าไงจ๊ะ<อ>ถามแค่นี้เออทำเป็นน้องหน้าสบตากันอยู่ได้คือเออคุณท้าวโสพันแหละเอเอเป็นผู้ใหญ่กว่าสองคนนี้ ตอบมาซะดีๆพระอาญามิพ้นกล้าเพคะพวกหม่อมฉันไม่ได้นินทาเพียงแต่พูดกันว่าพระโอรสหรือปธิดาน่าจะเป็นผู้ทรงบุญญามาประสูตรเพคะเป็นพระโอรสจ้ะพระเทวีทรงทราบได้อย่างไรหรือเพคะฉันรู้สิวิชายาเพราะว่าเมื่อฉันก้มหน้าลงมองท้องของตนเองคราวใดก็จะมองผ่านเข้าไป เห็นลูกชายองค์น้อยกำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญฌานอยู่ตลอดเวลาและถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเอ่ยว่าจะพูดคุยกันได้เราสองแม่ลูกก็สื่อกันด้วยภาษาจิตเป็นที่เข้าใจกันดีเมียนไดหรืออารตีทำท่าสะดุ้งมองอะไรหม่อมฉันเห็นองเหนือหัวสุดโทนนะกำลังเสด็จมาทางนี้เพคะโอ๊ยกพวกเราก็เตรียมตัวรับเสด็จกันได้แล้วล่ะเท ทุกคนสบายหม ค, คะทุกคนตามสบายขอพระไทยเพคะเป็นยังไงบ้างน้องหญิงหลอยพิลามัเนี่ยพี่มีราชเกจมากมายจนไม่ได้มาคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดแล้วก็อดกระวลไม่ได้ว่าเจ้าอาจจะน้อยใจได้อย่าทรงกังวลพระไทยเลยเพคะเสด็จพี่ ตั้งแต่มีคันลูกของเราคนนี้หม่อมฉันมีแต่ความปิติยินดีมีได้น้อยใจเสียใจและมีได้บังเกิดราคะจริตจนคิดตาดธนาให้เสด็จพี่หรือบุรุษใดเข้ามาใกล้ชิดเลยเพคะหม่อมฉันตั้งหาที่ควรจะเกรงว่ามีได้ปฏิบัติหน้าที่อันสมควรของภรรยาที่พึงปรนนิบัติต่อพระสวามีไม่ต้องห่วงหญ่เรื่องนี้นะเพราะประชาบณีน้องสาวของเจ้า ก็คอยปริบัติพี่ทำหน้าที่อาครมเหสีรองไม่ได้บุพร่องแต่ประการใดเลยหม่อมฉันดีใจที่ได้ยินเช่นนี้เพคะประชาบดีโคตมีและหม่อมฉันเป็นพี่น้องที่รักใคร่กันโดยไม่ได้มีจิตคิดดิสยาแม้ว่าจะร่วมพระสวามีเดียวกันก็ไม่ได้หึงหวงชิงดีชิงเด่นกันเหมือนหญิงทั่วไปเพคะ <c oughs> ก็นับว่าเป็นบุญของพี่แล้วก็ลูกของเราจริงๆที่จะเกิดมาในไม่ช้าเนี่ยแต่ว่ามีใครพอจะรู้บ้างว่าหญิงทั่วๆไปจะใช้เวลาตั้งครรภ์ น, นานสักเท่าไหร่ถึงจะให้กำเนิดลูกของนางนะอา้าคุณท้าวโสภา่ะเพชรคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วผ่านประสบการณ์มามากมายพอจะรู้กับเขาบ้างไหมถึงหม่อมฉันจะไม่เคยมีสามีและลูก แต่ก็พอจะทราบเพคะว่ามาดาทั่วไปน่าจะตั้งคันประมาณ9ก้าเดือนจึงจะคลอดบุตรเพคะแต่เอหม่อมฉันจำได้ว่าพระเทวีทรงคันเป็นเวลาสิบเดือนแล้วนับเพคะจริงอย่างที่อารตีกราบทูลเพคะหม่อมฉันก็จำได้นี่เราจะพูดได็กสองไม่สบายพัฒนทยทำไมฮะไม่วิชาไม่อารตี เดือนแล้วเหรอนี่อีกไม่กี่เวลาลูกแม่ก็คงออกมาดูโลกแล้วนะสิ เพคะอะไรการประชาบดีนอกจากจะรีบเข้ามาหน้าตาตื่นแล้วยังพูดกับพี่เหมือนเป็นคนอื่นด้วยอย่างนี้ขอประทานอภัยเพคะเจ้าพี่น้องลืมตัวไปว่าแต่มีเรื่องอะไรล่ะถึงได้รีบร้อนเข้ามาหาพี่พอดีน้องได้ยินว่าพี่หญิงมายาส่งคันได้สิบเดือนแล้วใช่ไหมเพคะถูกต้องแล้วล่ะประชาบดี จะครบทศมาศในวันเพ็ญขึ้น15คหาคำเดือนหกนี้การตั้งครรภ์เป็นเวลานานทำให้พี่รู้ตัวดีว่าถ้าคลอดเมื่อไหร่พี่อาจไม่มีชีวิตยืนยาวจนดูลูกเติบใหญ่ได้พี่คงต้องฝากให้น้องเป็นทุระช่วยดูแลให้ทั้งลูกและพระสวามีของเราไม่เอาเพคะเจ้าพี่อย่าตรัสเช่นนี้ และที่น้องรีบร้อนมาหาก็เพื่อจะเตือนเจ้าพี่ว่าอันธรรมเนียมของกรุงเทวทหะเราเมื่อหญิงใดจะคลอดบุตรก็มักจะกลับไปที่เรือนของบิดามารดาพี่ก็กำลังปรารถนาเช่นนั้นอยู่พอดีแต่คงต้องกราบมังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตจากเสด็จพี่สุดท o นะ เพราะจะรีบร้อนเดินทางไปโดยภ า, ารกิจหรือทำตามอำเภอใจม่ได้งั้นเราไปเฝ้าเสด็จพี่ด้วยกันเลยดีไหมเพคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทรงมีพระราชาอนุญาตไหมไพสีประชาประดีเพคะเจ้าพี่มายา ไม่อยากอนุญาตให้น้องเดินทางกลับเมืองเทวทหะเลนะมายาถ้าคลอหามยามร้ายเกิดคลอระหว่างเดินทางแล้วจะทํำยังไงระยะทางจากกรุงไกบิลพัทของเราและกรุงเทวทหะของเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่มีสวนลุมพินีวันขั้นกลางเป็นธรรมชาติอันงามสร่างล่มรื่นเป็นที่ชื่นใจแม่ต้องคลอดลูกที่นั่น หม่อมชั้นก็ไม่หวั่นไหวเลยเพคะเสด็จพี่และหม่อมชั้นก็ขอรับรองว่าจะถวายการดูแลอรัขาพี่หญิงสิริมหามายาของหม่อมชั้นเป็นอย่างดีด้วยเพคะมีประชาบดีไปด้วยพี่ก็ค่อยวางใจยอมให้พ่อเจ้าพี่น้องเดินทางไปได้ขอพระทัยเพคะหม่อมชั้นจะไปเตรียมตัวเดินทางเดี๋ยวนี้เพคะมหาหอดเล็ก พระเจ้าค่ะเจ้าจงไปตามท่านอรมา์อุทายีมาหาข้าเดี๋ยวนี้กับโดยางพระเจ้าค่ะทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะท่านอรมาฏควรจะสงสัยว่าข้าให้มหัดเล็กเรียกตัวท่านมาด้วยเรื่องอันใดไม่ว่าเรื่องใด ข้าพระพุทธเจ้าก็ยินดีและเต็มใจปฏิบัติตามรับสั่งพระเจ้าข้าครู้ว่าท่านเป็นผู้ที่ข้าไว้ใจได้อยู่แล้ว่ะเนื่องโดยพระนางสรีมหามายาพระราชเทวีแห่งข้าจะกลับไป้าพระเจ้าอัญชนะและพระนางยโสธราซึ่งเป็นพระราชบิดาและพระราชมารดาณักุุงเทวธาเพื่อประสูตพระราชโรสตามพระราชประเพณีข้าจึงขอสั่งให้ท่าน ปุทายีผู้เป็นอามารรับทุนการในการจัดการเกณฑ์ผู้คนให้แผ่ฐานทางจากกรุงกบิลพัทถ์ถึงกรุงเทวทหัให้เตียนราบปราศจากความน้ำและสัตว์ ร, ร้ายและจัดศีวิกาวอทองให้ทาติแข็งแรงแบกขามพาไมเห็สีของข้าทังสองเดินทางไปพร้อมเหล่านางกำนันและหมอลวมพร้อมทั้งผู้ติดตามไปขบวนใหญ่ท่านจงเร่งไปดำเนินการให้แล้วเสร็จเดี๋ยวนี้ รับโดยกล่าวพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจะรีบไปเตรียมการในทันทีพระเจ้าค่ะ ประชาสองข้างทางนี้ช่างสวยงามจริงๆนะประชาบดีเพคะเจ้าพี่มายาเส้นทางกลางป่าของเมืองเรายังอุดมไปด้วยพันไม้ใหญ่ทำให้มีร่มเงาและอากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายโดยเฉพาะวะนะอุทยานที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านั่นเพคะพี่เห็นแล้วล่ะ ขนาดขบวนของเรายังไม่ถึงก็ยังได้สัมผัสซึ่งความชื่นใจและได้กลิ่นหอมอ่อนๆของบุพชาติดอกไม้ลอยตามลมมานั่นคือสวนลุมพินีวันอันมีต้นสาละจำนวนมากออกดอกบานสะพังเสมือนถวายการต้อนรับพระราชเทวีเพคะจริงอย่างที่คุณท้าวโสภาว่า นอกจากต้นสาละจะออกดอกบานสะพรั่งแล้วยังมีเสียงขับขานของเรามายุราหรือนยุงทองและเสียงร้องของโกกีลาหรือนกดู่หวาวดังเจืยเจ้ย์แจวแววมาด้วยเพคะเจ้าพี่น่าสนใจจริงๆพี่ชักอยากจะพักที่นี่และเที่ยวชมในสวนลุมพีนีแห่งนี้เสียแล้วล่ะท่านอมา อ, าอุทายี พี่นางของเราค่ายจะเสด็จชมป่ารับ้วยกล้าวพระเจ้าค่ะทุกคนหยุดพักได้ขอรับท่านอามาตรบวนเสด็จ พ, พากันหยุดตามสั่งของท่านอามาตย์ระค่าทาสที่หามศีวิกาก็ค่อยๆวางวอทองลงช้าๆทูลเชิญพระเทวีทั้งสองเสด็จออกมาได้แล้วเพคะเชิญเสด็จเพคะพี่หญิงมายา น้องกับนางกำนั น, นจะประคองทั้งสองข้างของเจ้าพี่เองเพคะขอบใจนะประชาประดีอารตีวิชายาจงพาเราไปที่ต้นสาลาใหญ่นั่นเพราะกิ่งใบดอกอันดกหนาน่าจะช่วยกรองความร้อนของดวงตะวันในยามบ่ายได้ดีจริงไหม แัพวกเราพอพระเทวีเสด็จเข้ามาเท่านั้นน่ะต้นสาระก็พลันค่อยๆโน้มกิ่งที่ดีดอกบานตรการตาเหมือนจะลงมาถวายเราก็เข้าใจเหมือนที่คุณเท้าโสภาว่าแล้วเจ้าพี่มายา้าทรงปล่อยหาดจากพวกเราไปจับกิ่งสาระไว้ระวังนะเพคะเจ้าพี่ไม่ต้องห่วงหรอกประชาปรดีพี่เหนี่ยวกิ่งสาระอยู่ก็รู้สึกสบายดี พระเทวีขโมยรักขนมทำไมเมียนได้หรือเพคะเรารู้สึกเหมือนมีลมปั่นปวนอยู่ในท้องของเราหนาวิชายาแต่ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรอาจจะเป็นลมกรร ม, มชวาดก็ได้เพคะลมอะไรนะักคุณเท้าโสภาลมกรรมมัชวาดลมเบ่งเพคะพระมาเหตสีรองนั่นหมายถึงว่าพระเทวีกําลังจะมีประสูติการในเวลานี้ งั้นพวกเราเข้ามาร้องเจ้าพี่ไว้คุณเท้าโสภาวิชยาอารตี<ม>กันเหล่าอมตดฆ่าท่า<ม>ที่เป็นชายออกไปคะ่คะเพคค่ะลูกแม่วันนี้เป็นวันเพนเดือนวิสาค่ะ แม่กำลังจะให้กำเนิดโลกซึ่งเปลี่ยนไปด้วยบุญบารมีอันหาที่เปียกไม่ได้แล้วสินะััสกา